ที่พูดมานั้นเป็นการชี้แจงอธิบายอย่างกว้างๆเพราะมีหลายคำถามรวมกันอยู่ทีนี้ก็น่า จ, จะตอบอีกครั้งให้เฉพาะลงไปที่คำถามว่านิพพานมีอัตตาไหมเป็นอัตตาไหมนิพพานมีอัตตาไหมเป็นอัตตาไหมพยายามตอบให้สั้นดังนี้ข้อแรกบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ใช้คำเรียกให้สั้นที่สุดว่าธรรม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 ซึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นว่าเป็นภาวะบริสุทธิ์ไม่ขึ้นต่ออะไรอะไรเป็นต้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วมากมายเมื่อนิพพานมีภาวะของนิพพานอย่างนั้นเป็นธรรมดาเช่นนั้นอยู่แล้วจะมีอัตตามาแทรกมาซ้อนมาครอบมาครองมาสั่งบังคับวงการบัญชานิพพานอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้ามีอัตตาขึ้นมานิพพานก็เป็นนิพพานอยู่ไม่ได้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 ตัวเราตัวเขาขอให้ดูตัวอย่างในพุทธภาษิตบาลีที่แม่นกันทั่วไปว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคือตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราตัวเขาก็เป็นที่พึ่งของตัวเขาที่เป็นการใช้ในภาษาสมมติทีนี้ในความจริงแท้เราก็เรียนรู้กันว่าตัวเรานั้นไม่มีจริงเรายอมรับกันแค่ตามสมมติ แต่ตอนนี้พูดถึงนิพพานก็จะพูดถึงความจริงที่แท้กันละก็คือถามว่านิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นตัวเขาไหมท่านผู้รู้บางท่านจะช่วยให้ชัดท่านใช้คำที่เข้มคมตรงจุดไปเลยว่าตัวกูก็พูดใ้เข้มอย่างท่านว่านิพพานเป็นตัวกูไหมพอบรรลุนิพพานนิพพานก็เป็นอัตตาเป็นตัวกูอย่างนั้นรึนิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูจริงไหม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 ก็ไม่ใช่นิพานแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่นิพานแบบพระพุทธเจ้าข้อสามพอบอกว่านิพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูตอนนี้เปลี่ยนไม่เอาขันห้าหรือสังขารเป็นเอโสมเม อ, อั ต, ตาคือเป็นตัวกูแล้วแต่เอานิพานเป็นอัตตาคือเอานิพานเป็นเอโสมเม อ, อัตตาก็มาเข้าเรื่องความยึดถือหมายความว่า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 หรือของข้าของกูการยึดถือนิพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูจึงไม่เข้าแม้แต่ในทางของนิพานข้อสถ้าจะให้นิพานเป็นอัตตาที่ต่างหากเป็นตัวกูที่ใหญ่สูงสุดนิพานก็เป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าการที่สั่งบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัตตาคืออาตมันสูงสุดกลายเป็นอย่างปรมาตมหรือพระพรม หรือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้บรรดาลผู้สร้างโลกจัดสรรมนุษย์อย่างในาศาสนาเทวานิยมนับว่าเป็นเจ้าใหญ่แห่งสรพสังขารแต่นิพพานเป็นสภาวะบริสุทธิ์สุขสงบเป็นอิสระเป็นวิสังขารพ้นไปแล้วจากสังขารไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสังขตธรรมเป็นต่างเรื่องต่างสภาวะห่างไกลอย่างตรงข้ามกันจึงเป็นไปไม่ได้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 อย่างที่พูดมาแล้วว่าเพราะวะตัณหาคือความอยากให้ตัวตนมีอยู่เป็นอยู่ยั่งยืนตลอดไปอันนี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความยึดถือหรืออุปาทานนี้แต่ถ้าอยู่แค่ภาวะตัณหาก็ได้แต่อยากยังไม่มาถึงตัวปัญหาจริงตอนนี้เราข้ามเรื่องตัณหามาจับที่อุปาทานตัวเจ้าของเรื่องนี้เลยขอให้สังเกตชื่อของกิเลสตัวนี้ว่ายาวคือ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 ถ้าพูดอย่างเคร่งครัดจะไปยึดถืออัตตาที่ไหนเพราะไม่มีอัตตาให้ยึดในที่นี้เป็นศัพท์สำคัญจใจชัดก็ใสวาทะแทกเข้ามาก็ได้ความว่าไม่ใช่ยึดอัตตาแต่ยึดวาทะแม้แต่ถ้อยคำที่ส่อสแสดงความคิดความเข้าใจว่ามีว่าเป็นอัตตาก็เป็นกิเลสที่ต้องละเป็นคำศัพท์ที่เรียกได้ว่าเคร่งครัดเคยบอกแล้วและยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วว่า ในที่ทั่วไปบางทีท่านใช้คําแค่หลวมๆเช่นว่าละอัตตาก็ให้รู้กันว่าหมายถึงละความยึดถือในความเห็นว่าเป็นว่ามีอัตตาทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญดังที่ว่าอั ต, ตาวาทุ ป, ปาธานนี้เป็นกิเลสสำคัญอยู่ในอุปาทานสี่ที่พระอรหันตละหมดสิ้นแล้วผู้ที่หมดความยึดถือวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตา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 คนเหล่านี้ยังยึดถืออัตตามากบ้างน้อยบ้างแต่เ น, นเมื่อ ย, ยังไม่รู้จักนิพพานยังไม่พบของจริงที่เป็นวิสังขารแม้ว่าเขาจะยึดอะไรก็ตามเป็นอัตตาถึงแม้จะยึดเอนิพพานเป็นอัตตาแต่เขาไม่ถึงนิพพานจึงรู้จักแค่สังขารมองเห็นแค่สังขารดังนั้นทุกอย่างที่เขายึดถือว่าเป็นอัตตารวมทั้งนิพพานของเขาก็เป็นแค่สังขาร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 เรามองไม่เห็นอัตวาทุปาทานคือความยึดถือวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตาอย่างใดที่เมื่อยึดติดถือมั่นเข้าแล้วจะไม่ก่อให้เกิดโศกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปาญาต